ญรท่านผู้มีจิตสัตธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสองพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้า 59, เป็นวันที่ท่านทรรลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อเข้าหา พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผูเ้เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่มีความดีเป็นบุคคลที่น่าคบค้าสมาคมยิ่งกว่าบุคคลใดๆในโลกนี้เพราะพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุษทั้งหลายแทนเป็นผู้ที่ทำแต่ความดี ไม่กระทำบาปแล้วท่านก็มีวิชาความรู้ที่จะสอนให้พวกเราได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการเข้าหาพระพุะทธธรรมประสงค์เรียกว่าเป็นการเข้าหาบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งดังใน พมงคลรสูตรที่ได้ทรงสแสดงไว้ว่าอาเซวนาจะบาลานังบ ja ัน e ดิตานันจะเซวนาเอตัมมังกาะมุตตังการไม่คบคนคบคนโง่การคบบันดิตคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการคบการคบกับคนโง่ จะทำให้เราโง่ตามเขาการที่เราครบบัณฑิตก็จะทำให้เราฉลาดตามเขาถ้าเราไปคบกับคนโง่เขาก็จะพาเราโง่ด้วยคนโง่คือคนแบบไหนคนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้ผลของบุญของบาปว่าเป็นอย่างไรคนพวกนี้ ก็จะชอบทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์เกิดความเสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดโกเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนโง่เป็นมิตรมีความเกลียดคร้ง นี่คือคุณสมบัติของคนง่คนที่ชอบฆ่าสัตว์รักทรัพย์พยประพฤติผิดประเวณีพูดปดและดิ่มสรายาเมาและอวัยมุกต่างๆเป็นคนที่ไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้จะนำมาซึ่งความทุกข์และความเสียหายให้กับตนเองและกับผู้อื่น บัณฑิตนี้จะไม่ทำบาปจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรยาเมาม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนง่เป็นวิตรไม่มีความเกียดคร้านนี่คือการกระทําที่จะทําให้จิตใจไม่เสื่อมไม่ทุกข์ จะทำให้จิตใ จ, จเจริญรุ่งเรืองเราจึงต้องหาคนที่ฉลาดคบกับคนฉลาดเพราะคนที่เราครบด้วยนี้เขาจะมีอิทธิพลกับการกระทาของเราถ้าเราครบคนง้กคนไม่ดีเขาก็จะชวนเราไปทำสิ่งที่เขาชอบทำถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราดื่มสุรา เขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืนชอบความเกียรติครานเขาก็จะชวนให้เราเกียรตครานถ้าเราไม่ไปกับเขาเราก็กลัวว่าจะเกงใจเขาก็ต้องไปกับเขาพอไปแล้วเราก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะเกิด โทษกับเราต่อไปเพราะการดื่มสุรานี่ก็จะทำให้เรามึนเมาทำให้เราไม่มีสติประครับประคองการกระทาของเราก็จะทำให้เราไปทำบาปได้เช่นดื่มสุราเมาแล้วก็ไปขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเสียหายเสียชีวิต อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นโทษของการดื่มสุราเราคิดว่าดื่มแล้วไม่เป็นไรไม่มีโทษตามมาโทษของสุรานี่มีหลายอย่างมีทั้งที่เกิดกับร่างกายของเราและเกิดกับกับจิตใจของเราถ้าเราเดื่มสุรามากๆ ม, มันก็จะทําให้เรา เป็นโรคพิษสุราเนื้อรังจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายตับไตจะเสียแล้วอายุจะไม่ยืนยาวนานนี่ก็คือความเสียหายทางร่างกายความเสียหายทางด้านทรัพสมบัติเข้าของเงินทองดื่มสุราก็ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็ เสียเวลาที่จะไปทำมาหากินถ้าเด่มโุราแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็ปวดศีรษะก็จะไม่อยากไปทำงานพอไม่ไปทางานก็อาจจะถูกเขาขับไล่ออกจากการทำงานได้ก็จะไม่มีงานทำไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้แต่ความอยากดื่มสุรายังมีอยู่ ก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินถ้ากู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็จะไปลักทรัพย์ไปลักขโมยอันนี้ก็ยะนําไปสู่ปัญหาต่างต่างลักขโมยก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะไปขังคุปขังตรามตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายนี่คือตัวอย่างของการคบกับคน โอคนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้ว่าอบายยมุกและการกระทำบาบนี้เป็นสิ่งที่เสียหายกับชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะต้องไปรับผลของการทำบาป แต่ถ้าเราได้คบกับบัณฑิตคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระอริยสงสาวกท่านก็จะสอนให้เราละการกระทำบาปละอบายามุขต่างๆเพราะเป็นท่านรู้ว่าทําแล้วจะเกิดโทษกับเราและเกิดโทษกับผู้อื่นพอเราอยู่กับคนดีคนดีเขาสอนเราเขาไม่ทําเขาไม่ดึงเราไปทําในสิ่งที่ไม่ดี เราก็จะไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีนอกจากนั้นท่านก็จะสอนให้เราทําดีกันให้เราทําบุญทําทานกันแทนที่จะเอาเงินไปซื้อสุรามาดื่มเอาเงินนี้มาทําบุญจะดีกว่าเพราะเวลาทําบุญจะทําให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิใจมีความภูมิใจแล้วก็จะทําให้เราเป็นคนดี เป็นคนที่น่ารักไม่มีใครรังเกียจคนทาบุญนี้จะไม่มีใครรังเกียจจะชอบมีแต่คนยินดีต้อนรับส่วนคนทาบาปนี้จะเป็นคนน่ารังเกียจจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยการทารบุญนี้ก็จะทำให้เรามีมีบุญติดตัวไปเวลาที่เราตายไปแล้ว บุญก็คือความสุขใจก็จะทำให้ใจเรามีความสุขเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่มีความสุขท่านก็เรียกว่าใจที่ไปสวรรค์อยู่ในสวรรค์แต่ถ้าใจที่มีความทุกข์ก็ไปอบายไปนรกนี่คือผลที่ยังจะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วไม่ใช่ว่าพอร่างกายตายไปแล้ว ผลจากการกระทําต่างๆของเรานี้มันหมดไปมันยังไม่หมดยังมีต่อทําบุญก็ยังมีผลต่อทําบาปก็มีผลต่อคนบางคนคิดว่าพอตายไปแล้วก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเพราะเขามองไม่เห็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาป ก, <c oughs> ก็คือใจใจผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ ผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาสนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นใจพาอใจไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำใจก็เลยต้องไปรับผลของการกระทำสั่งให้ทำบาป ก, ก็จะต้องไปรับผลในอบาย สั่งให้ทำบุญก็จะไปรับผลในสวรรค์นี่คือสิ่งที่คนโง่จะไม่รู้กันคนโง่เขาจะคิดว่าชีวิตของเราอยู่ที่ร่างกายพอร่างกายตายไปชีวิตของเราก็จบแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราก็จะไม่มีการต้องไปรับผลของบุญของบาป เขาจึงกล้าทำบาป ก, กันเขาไม่ชอบทำบุญกันเพราะการทำบุญจะทำให้เขาเสียเงินเสียทองโดยที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้อะไรแต่เอาเงินนี้มาเดิมสุราเอาเงินนี้มาเที่ยวเขากลับคิดว่าเขาได้แต่ความจริงเขากลับเสียมากกว่าได้การที่เราทำบุญเราจะคิดว่าเราเสียมากกว่าได้ แต่เราไม่เห็นสิ่งที่เราจะได้คือความรู้สึกภายในใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่สังเกตเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าเวลาเราทำบุญนี้ใจของเราจะมีความสุขเวลาที่เราทำบาปใจของเราจะมีความทุกข์เนี่ยอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจ นะความทุกข์และความสุขนี้ก็คือสวรรค์นรกนี้เองเวลาไม่มีร่างกายถ้าใจเป็นสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าใจเป็นทุกข์เราก็เรียกว่านรกเรียกว่าบายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระอาริยสงสาวกทั้งหลายท่านจะสอนว่าตัวเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ตัวเรานี้อยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายใจที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปท่านถึงสอนให้เราทำบุญลับบาปเพราะว่าถ้าเราไปทำบาปเราก็จะต้องไปรับผลบาปแต่ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปเราก็จะรับแต่ผลบุญอย่างเดียวการไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับการไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่ เพียงแต่ว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไม่ใช่ในโลกนี้เพราะในโลกนี้ร่างกายตายไปแล้วเราก็ไปไม่ได้แต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจถ้ามีบุญใจก็จะได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปสวรรค์กันท่านจึงสอนว่าการคบบัณฑิตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เรา ได้รับสิ่งที่ดีได้รับความสุขได้รับความเจริญจิตใจของเรานี้ยังสามารถเจริญขึ้นไปมากกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ได้ใจของเรานี้สามารถเจริญเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเรียนหนังสือเราก็จะขึ้นชั้นไปเรื่อยๆจากชั้นประถมก็ขึ้นสู่ชั้นมัธยม จากชั้นมันธยมก็ขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาใจของเราถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปและปฏิบัติตามคำสอนของพพระพุทธเจ้าเราก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทพจากเทพเราก็ไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็ไปเป็นพระอริยะเจ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพระอารหาันต ไปพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้สัมผัสรับรู้จากการที่เราได้คบบัณฑิตคือคบพระพุทธเจ้าคบพระอาหารหันต์พระอริยสงสาวกการครบกับพระพุทธเจ้า ค, คบกับพระอริยสงสาวกก็คือการ ศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายนี่ถ้าเราศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าท่านสอนให้เราทําอะไรเพราะคําสอนของท่านเป็นเหมือนกับแผนที่เป็นเหมือนกับผู้นําทางที่จะพาให้เราไปสู่ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ ที่จะพาให้เราหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครรู้ทางนี้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเราไม่พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าเราจะไปเรียนหนังสือจบกริยาเอกเราก็ยังจะไม่พบกับทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ คนที่จบปริญญาเอกนี้ท่านบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวก็คือรู้เรียนปริญญาเอกรู้อะไรต่างๆมากมายแต่ยังไม่สามารถที่จะเอาตัวให้รอดพ้นจากความทุกข์ได้คนจบปริญญาเอกยังร้องหโหร้องไห้ได้ยังไปติดคุกติดตารางได้ ยังฆ่าตัวตายได้เวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็อาจจะหาวิธีดับความทุกข์ที่ไม่ถูกเ mm. ช่นคนที่ฆ่าตัวตายนี่เวลาเขามีความทุกข์มากๆจนทนไม่ไหวเขาก็จะคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะทําให้ความทุกข์หมดไปแต่ความทุกข์ไม่หมดคณะเวลาที่ตายนี่ เวลาฆ่าร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์กันต้นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือความหลงความอยากพอเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็เสียอกเสียใจแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราฆ่าร่างกายแล้วเราจะหายทุกข์มันไม่หายหรอกเพราะตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเรามันไม่ตาย ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราหายทุกข์เราต้องฆ่าความอยาก mm hmm. เช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. เป็นอ ม, มพกอมมาพกอมภาดแล้วเราไม่สามารถใช้ร่างกายทำอะไรได้เราก็อยากจะฆ่าตัวตาย mm hmm. แต่ถ้าเรามาสังเกตดูเรามาพิจารณาดูเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากใช้ร่างกาย พาเราไปทําอะไรต่างๆเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ร่างกายไม่เป็นอะไรเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ตอนนี้ร่างกายไม่สามารถพาไปได้เราก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเรายังอยากหาความสุขโดยใช้ร่างกายพาเราไปแต่ถ้าเรามา เปลี่ยนใจมาฆ่าความอยากความอยากที่จะใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาไปหาความสุขถ้าเรามาหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจของเราก็จะหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายวิธีที่จะฆ่าความอยากทำลายความอยากเราก็คือเราต้องมาใช้สติใช้สติมาหยุดความคิด ถ้าเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็จะหยุดไปเพราะว่าเวลาเราคิดอะไรแล้วเราก็อยากจะทำเราอยากจะใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาไปหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเราก็จะเกิดความอยากไปแต่ถ้าร่างกายมันไม่ไปไปไม่ได้เพราะมันไม่สบายมันเป็นอมภพอมภาตเราก็ต้องมาหยุดความอยาก วิธีหยุดความอยากก็คือเราต้องมาหยุดความคิดด้วยการใช้คำบิกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือสวดมนต์ไปหรือฟังเทศฟังธรรมไปเพื่อที่จะทำให้ใจของเราไม่ไปคิดอยากที่จะไปใช้ร่างกายไปเที่ยวไปทาอะไรต่างๆพอเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไป แล้วเราก็ไม่ต้องมาฆ่าตัวตายแล้วเรายัางสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะเราจะรู้ว่าความสุขของเรามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ความสุขของเราอยู่ที่ใจที่ไม่มีความอยากเราก็มาคอยควบคุมความอยากมาคอยหยุดความคิดถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข มีความสุขมากกว่าตอนที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรสิเพราะความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายไปทำอะไรนี้มันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วก็ทำให้เราเกิดความเหงาเกิดความว้าเหวเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขอีกสู้เอาความสุขที่เราได้จากการมาหยุดความอยากกันดีกว่ามาฆ่าความอยากดีกว่า เวลาเราทุกข์แล้วเราอยากจะฆ่าตัวตายเราต้องมาฆ่าความอยากความอยากที่จะใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆในเมื่อร่างกายมันไม่สามารถทำอะไรตามที่เราต้องการได้เราก็หยุดใช้เหมือนท่านเองเรามาพุทธโธพุทธโธมาทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความอยากหายไปความสุขใจก็จะโผล่ขึ้นมา แล้นเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปฆ่าร่างกายฆ่าร่างกายก็ไม่หายเพราะเวลาฆ่าร่างกายความอยากในใจก็ยังมีอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิม น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาคบบัณฑิตคบคนเลาิดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพออระอาลยสงสากท่านจะสอนให้เรารู้จักวิธี ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราความทุกข์ต่างๆเกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาครอบครองมาอาศัยให้ความสุขกับเราเช่นร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นหรือข้าวของเงินทองต่างๆของต่างๆเหล่านี้ เราหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้จะให้ความสุขกับเราได้แต่เราไม่เห็นความจริงของเขาว่าเขาเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่นานได้ชั่วคราวพ่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องตายไปจากเราไปพอเขาตายไปจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็จะหายไป แล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือความทุกข์ใจถ้าเราได้มาคบกับพระพุทธเจ้าคบกับพระอริยสงสาวกท่า น, นจะสอนว่าของต่างๆที่เรามีกันอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันเปลี่ยนไปจะต้องมีวันหมดไปจะเป็นของของเราเพียงชั่วคราวต่อไปก็จะเป็นของคนอื่นไป ถ้าเรารู้ว่าของต่างๆที่เราม่อยู่ไม่ได้เป็นของเราและจะไม่อยู่เหมือนเดิมจะต้องมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราก็จะได้ไม่ไปพึ่งเขาไม่ไปอาศัยเขาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทุกเวลาที่เขาจากเราไปนี่คือสิ่งที่เราจะรู้เราจะได้แก้ความหลงของเรา พวกเราหลงคิดว่าการมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีคนนั่นคนนี้มีสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จะทำให้เรามีความสุขกันแต่เราลืมไปว่าของเหล่านี้เขามีโอกาสที่จะหมดไปได้เงินทองก็มีโอกาสหมดได้คนนั่นคนนี้ก็อาจจะจากเราไปได้ ร่างกายของเราก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปพอเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาความสุขที่เราเคยได้รับจากเขาก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพึ่งให้ความสุขกับเราไม่ได้เราก็อย่าไปพึ่ง เรามาพึ่มสิ่งที่ให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาสิ่งที่นั่นก็คือการทำใจของเราให้สงบถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไม่คิดอะไรเวลาใจสงบเราก็จะมีความสุขพอเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่งคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ต้องไปพึ่งเงินข้าเงินทองไม่ต้องไปพึ่งข้าวของอะไรต่างๆเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรามีมันจะให้ความทุกข์กับเราทุกเวลาที่เขาจากเราไปทุกที่เรากังวลห่วงใยกลัวเขาจะจากเราไป แต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเห็นกันรูกันท่านจึงไม่ยึดไม่ติดไม่อาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พออาศัยไม่ได้อาศัยได้เป็นบางเวลา เวลาที่อาศัยไม่ได้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเรามาอาศัยความสงบเราก็จะได้สิ่งที่เราอาศัยได้ไปตลอดเพราะความสงบนี้ถ้าเรารู้จักวิธีทำแล้วเราก็จะสามารถทำได้เรื่อยๆอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปได้เรื่อยๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลกับข้าวของเงินทองไม่ต้องกังวลกับบุคคลนั่นบุคคลนี้ไม่ต้องกังวลกับสังขารร่างกายของเราว่าจะแก่เมื่อไหร่จะเจ็บเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่เพราะเราจะไม่ต้องพึ่งพาศัยเขาแล้วเขาจะแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะเจ็บเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนดัง <Yeah. S 1> นั้นเราต้องเชื่อ บัณฑิตแล้วพยายามทำตามที่บัณฑิตสอนคือให้เรายุติการอาศัยสิ่งต่างๆแล้วให้มาอาศัยการทำใจให้สงบกันมาฝึกพุทโธกันมาบริกรรมพุทโธพุทโธมานั่งสมาธิกันเวลานั่งแล้วใจสงบใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ไม่ต้องมีร่างกายเราสามารถมีความสุขได้ไปตลอดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาคบกับบัณฑิตคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรและเราจะรู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆด้วยการไม่ไปเพิ่ง ไม่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงที่เราไปคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งของเราเราจึงไปยึดติดพอเราพอเขาจากเราไปเราก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจกันต้องทุกข์กันดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเข้าหาบัณฑิตอยู่เรื่อยๆวิธีเข้าหาบัณฑิตก็คือให้เรา ศึกษาคำสอนของบัณฑิตคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆรเราก็จะมีอะไรคอยเตือนใจสอนใจเวลาที่เราจะไปหลงไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งมันเป็นกองทุกขนะ์เราก็จะได้ถอยหลังไม่ไปพึ่งสิ่งต่าง แล้เราก็จะไปเพิ่งสิ่งที่เป็นที่เพึ่งได้ก็คือการไปทำใจให้สงบไปนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธพอใจสงบแล้วก็จะมีความสุขนี่คือมงคลที่พวกเราจะได้รับจากการที่เราได้มาคบบัณฑิตคือมาคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความเป็นสิริงมงคลให้แก่ชีวิต ด้วยการคบบัณฑิตด้วยการไม่คบคนโง่นี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนนารัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้